ถามว่าการปฏิบัติก็มุ่งต่อความพ้นจากกิเลสแต่ทำไมตั้งใจละอาสวะให้หมดไปจึงไม่หมดไปได้อย่างใจตอบว่าอาสวะเป็นกิเลสที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาต้องอาศัยอริยมรรคที่เป็นกุศลผลเจตนาจึงละได้การตั้งใจละนั้น เป็นกุศลที่ประกอบด้วยเจตนาเพราะฉะนั้นจึงละอาสวะไม่ได้คงละได้แต่กิเลสที่ประกอบด้วยเจตนาแต่ก็ละได้ชั่วคราวภายหลังอาจเกิดขึ้นได้อีกเพราะเป็นโลกิยะกุศลผู้ถามกล่าวว่าอ้ออย่างนี้นี่เล่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่ากิเลสที่ไม่ประกอบด้วยเจตนา ต้องละด้วยกุศลที่พ้นจากเจตนาคืออริยมรรคส่วนกิเลส ท, ที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นกรรมวัตรฝ่ายบาปต้องละด้วยกุศลที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งเป็นกรรมวัตรฝ่ายบุญตอบว่าถ้าตั้งใจละอาสวะได้ง่ายเหมือนอย่างตั้งใจทากรรมวัตรฝ่ายบุญแล้วพระอระหันต์ก็คงหาได้ง่า ย, ายในโลก พระอริยสงฆ์คงไม่น่าอาศัศจรรย์อะไรแม้พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเศกขบุคคลสามจำพวกนี้ก็ต้องอาศัยอริยมรรคซึ่งเป็นกุศลที่พ้นจากเจตนาจึงจะฆ่าสังโยชน์ได้